<c oughs> เอาฟังธรรมกันการฟังธรรมคือการฟังเรื่องของเราเรื่องของเราก็เรื่องกายร่างใจ นหนาเกิดจากกายเกิจากใจเงนยาก็เกิดจากกายยากใจเราจึงมาเอากายเอาใจนี้เป็นตำลาเอาสติเป็นนักศึกษาอ่านลา ด, ดับลานําดูได้เรามีสติ ความสงสัยก็หมดไปเมื่อไรเรามีสติสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากการจากใจก็เกิดจะเหตจะดับก็ดับพิเหตุเมื่อเรามีสติเหมือนอยู่บ้านพ่อก็สติ เหมือนอุปกาแล้วคนเหมือนพ่อเหมือ น, นแม่ทางจิตวิญญาณเมื่อเรามีสติพระพุทธจเจ้าก็อยู่เฉพาะด้านนั่นแล้วถ้าดมีสติเห็นเหตุเห็นปัจจัย เ, เห็นเกิดขึ้นจากกาจากใจโอนั่นก็เรียกว่าเห็นธรรม ผูดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนกอเริ่มต้นกำเนิดเกิดขึ้นเป็นโพธิก็คือสติสัมปชัญญะที่มันมีอยู่กับเรานี่ทุกคนเหมือนมเมล็ดพืชเหมือนมเนมล็ดโพธิคือดวงปัญญา เราอย่าให้บอดโพธิ์นี่อย่าให้บอดมันบอดอาจจะ บ, บอดไปานานไม่เคยรู้สึกตัวกับก่อกับกายกับใจกายใจก็เถื่อนไม่เคยดูแลกายไม่เคยดูแลใ จ, ใจิตใจจิตใจก็เถื่อนกายก็เถื่อนจะสุกเกิดทุก ก็ได้จะโกจะเกลียดก็ได้จะรักจะอะไรก็ได้เกิดขึ้นจากกายจักใจใช่กายผิดประเภทใช่ใจผิดประเภท ส, สับสนเป็นโสเภณีของกายเป็นโสเภณีของกิจไม่มีระเบียบไม่เฉพาะเรื่องเฉพาะเราไม่ใช่ประโยชน์ อันที่เป็นอันที่ไม่มีโทษสิ่งที่มีโทษก็มีโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็บอดไปอันหลงก็หลงก็หลงรุยไปหลงเป็นหลงลวยไปโกรธเป็นโกรธลวยไปทุกข์เป็นทุกข์ลวยไปในความหลงมีความไม่หลงไม่เคยใช่ในความโกรธมีความไม่โกรธไม่เคยใช่ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์ไม่เคยเอามาใช้ มันเป็นคู่กันอยู่เราจึงมาดูมันจะเจอเข้าโชว์ความหลงจะโชว์ให้เราเห็นเหมือนจอหมวนหน้าจอของรถที่มีสมองดีมันโชว์มันบอกหน้ามันหมดมันก็บอกประตูปิดม่แน่นมันก็บอก วายใสเข็มขัดมันก็บอกถ้ามันผิดไม่ปกติมันจะโชว์ชีวิตของเราต้องปกติบ้านของกายบ้านของใจต้องปกติถ้ากายใจไม่มีปกติด้วยกายใจไม่มีบ้านพัดถิ่นาพับอบจน ตอนคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าหวันกลางวัลว่าคิดไหลไปเวลาน อ, อนหาเรื่องมาคิดหาคำตอบจากความคิดเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดให้ความคิด่าเป็นสุขให้ความคิดมาเป็นทุกข์เอาชีวิตไปห้อยไปแขียนวกับสุขกับทุกข์ที่เกิดจากคิดคิดขึ้นมาแล้วน้ำตาไหล คิดกิดมาแล้วนอนไม่หลับคิดกิมก ด, ดมาเราโกรธขึ้นมาเราชอบทั้งๆที่ไม่มีอะไรก็หลงตายหลอกเราใจหลอกเราผีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเราไยหลอกตัวเรา <c oughs> จึงมามีสติมันจะโชว์ให้เราเห็นเวลามันหลงรู้ใ้ความหลงไม่ความรู้มันก็ปกติบ้านของกิดคือปกติกลับมาบ้านเวลามันสุขรู้เวลามันทุกรู้อะไรก็ตาม ตัวรูปสภาวะที่รูปเป็นตัวเฉลยปัญหาที่เกิดจากกายจากใจได้มันจะเกิดละแปดพืนสี่พันอย่างก็เจ๊ได้ทั้งหมดตายเป็นปัญญาเสี่ยแล้วลก็มรบรูปในกองสังขารชื่อว่าปัญญาสังขารคือกายสังขารจิตต่อสังขาร แม้แต่มีการเกิดการเจ็บการเจ็บ ก, ก, ก, กตากตายก็เป็นปัญญาได้ถ้าเราไม่รู้เป็นปัญหาต้องห่มลงให้เสียใจยเป็นทุกข์การพักผ้าจากของเลาของชอบใจเป็นทุกข์ความไม่สบายกายก็มไม่สบายใจเป็นทุกข์ปราเถนาสิ่งใดไม่ได้สินั้นเป็นทุกข์ความคลั่งแค้นใจเป็นทุกข์รู้เป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์มีแต่วความทุกข์ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วถูกความทุกข์เป็นเบอหน้าแล้วทำเสยหายเกินตามที่สุดแต่งกองทุกข์นี้จะปรากฏชัดแก่เราจึงมาทําตามพระพุทธเจ้าอุทิศอันหันตังเนี่ยคือมาทําตามรอยพระพุทธเจ้าพระเจ้าทํายังไง สมายเป็นสามัญชนว่าเหมือนเกินกันเราตอนที่เกิดเป็นพุท ธ, ธะเกิดนะทำอย่างไรเราก็มาจับตรงนี้กันใคืนวันเป็นเดินหกพระองค์ทำอย่างไรกู้เนเข้ามิสติเหยื่อเชอญโดมิสติเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ เราจึงมาลู่สึกตัวเนี่ยมาดูตรงนี้กันวิธีใดที่เราจะลู่สึกตัวหาลงไปเอาลงไปประกอบลงไปคนผ่าฟืนก็ผ่าฟืนเพื่อให้คนได้มีสติคนตำข้าวก็ตำข้าวเพื่อให้คนมีสติได้ความสะดวกการฝึกสติคนปรุงอาหารก็ปรุงอาหารเพื่อให้ผู้ที่ใช้ชีวิตยอยู่นี่มีสติคนสร้าง เฉยหานาขณะที่อยู่อาศัยก็เพื่อให้คนที่อยู่นี่มีสตินี่หน้ามีไปก็เพื่อให้พวกเราอยู่นี่มีสติเพื่อให้คนเรามีสติไม่ใช่เพื่ออันื่นรลองดูมารวมลองอันเดียวกันถ้ารวมลงที่มีสติเหมือนกัน ใครก็คิดจากให้ใครมีสติอย่าไปทำให้คนอื่นหลงจะพูดจะทำอะไรก็ทำให้เพื่อนมีสติอย่าทำให้เพื่อนมีความหลงให้สะดวกในความรู้จึงจะเรียกว่ากันละยานะทำบันละยานะมิตรถ้ามีความคิดแบบนี้กันก็พากันไปสู่มรรคสู่ผลนิพพานได้ ้าทำให้เป็นอื่นๆก็เป็นอื่ น, นไปเราใช้ชีวิตของเราก็เพื่อมีสตินอกจากเพื่อนกัญยาณมิตรแล้วให้เราช่วยตัวเราให้มีสติการมีสติมันไม่ยากหายใจเข้าก็รู้ตั้งต้นตรงน้อย หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้าจะมีความสุขก็ไม่ต้องไปที่ไหนให้รู้ไปกับลมหายใจสุขน้อยๆปกติน้อยๆกอดน้อยๆไปก่อนอย่าไปหวังเอาหน้าบ่หนะ้าวันนี้จะรู้วันนั่นจะรู้หนึ่งวันจะรู้สองวันจะรู้ไม่ใช่แบบนั้น ความรู้เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัตังไม่ต้องรอหายใจเข้ารู้นั่นแหละหายใจออกรู้นั่นแหละคือของจริงถด้ไปเอานอกจากปัจจุบันแล้วไม่ใช่พระเจ้าสอนสวัสดิธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิาทยาศาสตร์ตื่นได้ปัจจัตตังเวชิตาภูวิโยหิตินั่น รู้จะรู้ได้เฉพาะตนเป็นของผู้รู้ความรู้เป็นของผู้รู้ผู้ใดรู้ผู้นั่นเป็นเจ้าของความรู้ไม่ใช่เพศวัยลัทธินิกายาศาสนาชาติใดทั้งสิ้นถ้ามีความรู้เป็นอันเดียวกันของจริงต้องเป็นอย่างเดียวกันของไม่จริงก็ ของไม่จริงเป็นคนหลายอย่างถ้าเรามีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าเราหลงก็เป็นคนแล้วคนแล้วก็พึ่งกันไม่ได้ถ้าคน น, นั่งก็ลูกคนนี้ก็ลูกเป็นอันเดียวกันวนใจมั่นคงชีวิตของผู้ลูกก็มั่นคง เหมือนผู้เขาสีเหลืองทึบไม่เสะเทือนเพราะลมผู้มีสติไม่เสะเทือนเพราะนินทาสนเสริญนั้นเป็นอย่างนี้ชีวิตอ่ะมันจึงเป็นชีวิตถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตผู้ฟูแฝงแฝงไม่ใช่ชีวิตนั้นไม่ยากปฏิบัติได้ให้ผลได้ <c oughs> ไม่จํากัดการ ผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาจะต้องรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามทุกขวนเจริญการปฏิบัติผู้ใดขยนรู้ก็ได้ความรู้ผู้ใดขยันหลงก็มีความหลงเราขยันแบบไหนชีวิตเราที่ผ่านมาขยันหลงจนความหลงนอนเนืองครอบความจิตใจเงิดบอด เหมือนก้อนเมฆปิดบังดวงอาทิตยตต์ดวงจันทร์อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ได้บอดก้อนเมฆต่างหากตามบังเข้าเวลาเราหลงมันรีบก้อนเมฆเวลาเราโกรธ ม, มันมีก้อนเมฆเวลาเราทุกข์มีก้อนเมฆรวมทุกข์รวมหลงรวมโกรธไม่ใช่จิตใจจิตใจมันไม่เป็นอะไรมันเป็นปกติ เรียกว่าบ้านพ่อเรียกว่าบ้านพี่อยู่ของกิจบ้านของกิจปกติประพัดสอนผองใสเหมือนผ้าขาวสะอาดแต่เดิมมันสะอาดอยู่ผ้าแต่ใช่ไปไม่ละมัดระวังก็เปืเป้อนได้ทาไมผ้าศกปกเส้งหง จิตใจของเราก็หมือนกันนะแต่ก่อนจิตของเราประพัฒสอนปองสายยูสเสมอแต่อุิเลตบรรจรมาทําให้จิตเศร้าหมองจิเลตคือทาให้เศร้าหมองความหลงเป็นทำทับจิตเศร้าหมองความทุกข์เป็นทําให้จิตเศร้าหมองความโกรธความเบียดความวิตกกวงวลต่างๆเป็น การกระทําไม่กิตเส้าหมองต่างหา ก, กิดไม่เป็นไะเราเกิดมาถึงวันนี้เราเคยช่วยเรื่องนี้ไหมจนเขามายิ้จนอิ่มไปเลยถ้าได้โกรธเ้าก็แสดงออกไปโทรสาะไล่ากาน ร, รับใช้ความโกรธรับใช้ความทุกข์รับใช้ความรักความเกลียดชังมันก็ไม่ช่วยไม่เคยช่วย ถ้าเคยช่วตัวเองก็มีโทษมีภยัยถ้ารู้จักช่วยก็มีประโยชน์เป็นมักเป็นผลขึ้นมาเปลี่ยนความหลงไปความรู้เป็นผลแล้วเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เป็นผลแล้วเปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้เป็นผลแล้วขณะที่เปลี่ยนอยู่เป็นมักถ้ามันหลงไวปรู้สึงตัวกับมานี้นั่นแหละเป็นมักเป็นผลไม่ไกล เปลี่ยนอยู่บ่อยๆเปลี่ยนอยู่บ่อยๆปาฏิบัตคือเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆก็มนรู้กัรู้บ่อยๆขยันรู้บ่อยๆขยันรู้เรียกว่าภาวนาขยันลงเรียกว่าสังขารสังขารเป็นทุกข์วิสังขารเปลี่ยนหลงเป็นรู้ดรววิสังขาร เป็นนิพพานในสังขารมีนิพพานในทุกขมีนิพพานในความรอม้อนในความเย็นในความมืดในความสว่างเป็นคู่กันอยู่มองมองแบบไม่จนเวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มีสิทธิไม่ทุกข์ เวลามันโกรธมีสติไม่โกรธเคยใช้สติไหมเอี๋ยวยมเลยเวลามันโกรธต้องรีบอะรีบไปด่ากันกลัวมันจะหายโกรธมันจะไม่ได้ด่ากันต้องรีบไม่ใช่สติเดี๋ยวเราโกรธถ้ามันอดไม่ได้ก็นับหนึ่งถึงสิบหรือยกมือสร้างชว่าหายใจเข้านับหนึ่ง หายใจเข้าหายใจอ out, อกน네ับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองถ้นับถึงสิบแล้วด่ากันไม่ได้เพราะความกดจะลดลงลดลงเรามารับใช้มันต่อไปก็ง่ายต้องทวนกระเสียนหลงทวนกระเสียไว้ก่อนที่ สิทธะจะได้ตัดสลูทวนกระแสเฉียงถาดลอยถาดนั่นเป็นปุกลาทิฐานฉันชาฉันข้าวน้ำสุชดาแล้วสุดชดาถวายตั้งถาดก็ถามว่าเธอจะถวายหมดตั้งถาดหบอกว่าถวายตั้งถาด พอชันเจ็ดก็นั่งอยู่ริมน้ำในลันเชลาก็เอาถาดลอยน้ำก็จะได้ตัดชลูเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ถาดใบนี้ลอยขึ้นทางเหนือถ้าจะไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณให้ถาดนี้ลอยลงไปทางใต้น้ำ บากรวถาดาลอยขึ้นเหนือไปไปซ่อนกับถาดอีกกลอนจงลงไปกุกุสันโทโกดาคมโนกัจจปอง์องค์ที่สี่องที่ห้าไปซ่อนลงเจ็ <c oughs> ใช่หมอ้เอาเจ้าไเป็นองค์ที่ห้า โุก้สันโององแรกพระพุทธเจ้าโกนาคาโนองที่สองโกโก้สันโธอะไรฮะจำไม่ได้พระเจ้าห้าพระองค์ตำล่าว่าอย่างนั้นโกโกุสันโทโกนาคาโนกัจโปโคตโมพรเจ้านี่เป็นโคตโมองที่สี่ ห้าอะไรห้าโกสนโทโกนาคาโนกัจโผอะไรห้าห้าอยู่ที่ไหนเษ <laughs> าะจำนะในพระในพระอธิษใ น, ในอะไรไม่ใช่พระสูตรนะในพระสูตรก็มารู้ โซอนองค์ที่สามที่สี่มากาลนาคตื่นขึ้นวริยินถาทองซ้อนเจ็กลงไปกาลนาคอยู่ในมหาสมุทรตื่นขึ้นมาโอ้พระพุทธเจ้าได้ตัดชู้อีกแล้วเนอองค์ที่สี่ที่ห้าแล้วนอหลับไปอีกกาลนาคไม่ตื่นเลยพระเจ้าตัดสลูกเกิดขึ้นเราในโลก ต้องสามสี่วงก็ลังๆยังนอนหลับอยู่เฉยใครเป็นกันหลนาๆนะยังหลับไม่ดูเลยอ้าวเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นทั้งประธรรมคำสอนอันเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปริธานมีแล้วมีแล้วเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ ถาดทองทวนกระแสคื อ, อยังไงร้าว่าทวนกระแสถ้าเป็นธรรมชาติฐานถาดทองอือคือจิตใจของเราเนี่ยมันไปทางต่ำหรือมันไปทางสูงถ้าทางต่ำความโกรธความโลภความหลงความรักความชันงต่าลงไปต่ำลงไป ถ้าไปทางสูงความไม่หลงความไม่โกรธความไม่ทุกข์ความไม่โลภความไม่หลงไปทางสูงไปทางสูงสูงใจของเราไปทางสูงเรียกว่ามนุษย์ถ้าไปทางต่ำเรียกว่าคนเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งโยงมีดีที่เหววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน ถ้าใจต่ําเป็นคนคนคืออะไรโผนเปนกันไปรู้จากคนไหยฮะทำยังไงคนใช่ไหมเอามาโผล่นผล่กันคนเขาไปมีพริกมีเขือมีปลาล่ามีผักมีไรโกน้นอนคนลงบ่แลกว่าคนสมชื่อจริงๆทุกข์ขข ก, ก็เอาสุข ก, ก็เอาโกรธก็โอบแล้วก็เกลียดชังก็ดีใจกเ็เสียใจก็คน โผล่ไปกันหมดเลยนั่นแหละคนไปทั้งต่ําสูงขึ้นมาไม่โผล่ไปกับอะไรมีสติไม่ไมปเปื้อนกับสิ่งใดเห็นไม่เป็นเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์ไม่เปื้อนแล้วถ้าเห็นถ้ามีทุกข์เห็นทุกข์เป็นทุกข์เปื้อนแล้วเห็นความโกรธ เป็นผู้โกรธเพื่อนแล้วเห็นขวมโกรธไม่เป็นผู้โกรธไม่เพื่อนเลยเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันปวดไม่เป็นผู้ปวดศักต่ว่ากายกายศัต่ว่ากายสุขทุกข์ศัสุขวะทุกข์คิดก็สัว่าจิตไม่ใช่จัตุคคล มันไม่ไไม่โผนไปเมลัยสาดเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่โผนไปสูงไปสูงไปสูงไปสูงไปใจมันสูงขึ้นสูงขึ้นซะสิ่งใดที่มันสูงสิ่งอืนก็ทับถมไม่ได้มันก็ะถาทองรองรับลอยขึ้นไปเหมือนพระท่านเทศหลงตาเคยเทศ เราต่อนี้ไป <c oughs> อาตอมาจะแสดงพระสัทธรรมามาเทศนาตามนักขวนเจเวลาขอ้ท่านสาวทุกนทั้งหลายจงตั้งอยฟังให้เป็นโสดสาบันศาสตร์คอยหลงรับปุธุตลดพระสัทธรรมเหมือนถาดทองรองรับเป็นถาดทองไหมหลงรับลดพระพุทธพุทธเสืพระสัธรรม สอเหมือนนี่สี่สิบห้าสิบปีแล้วเป็นหม้อดินเหรอพระธรรมเหมือนน้ำมันนะหม้อดินเป็นใส่น้ำไม่อยู่ใส่น้ามันไม่อยู่ซึหมหมดหมดต้องเป็นทองเท่านั้นที่จะรองรับน้ำมันได้ทศเจ้าจะเหมือนถาดทองเปรียบเหมือนถาดทอง จิตใจเหมือนถาดทองรองลอบพุทธพทธลดพระธรรมอเทศนาถ้าจะหม้อดินไปใส่น้ำมันจะทำยงไงขี้น้อยเราไม่มีไม่มีหม้อทองเราไปรับน้ำมันเรามีหม้อดินจะทำยงไงไปรับน้ำมันจะได้น้ำมันมาฮะพี่ปัญญาว่าฮะเรามีหม้อดิน ไอ้อื่นเดินมีหม้อทองไปรับน้ํามันงา ห, หม้อทองไม่ได้กับเขาจะทํายังไงจึงจะได้น้ํามันมาไอหม้อดินนะฮะไมีปัญญาไหมมีทําไงเอาหม้อดินไปแช่น้ำมาอิ่มก่อนหม้อดินแช่น้ําอิม่มเปียกแล้วไปเจาน้ํามันถือมาค่อยมาเปลี่ยน ต้าปล่าให้ดินแหงแห้งไป้ฉั น, นซึมบอกหมดแลวถือมาไม่ถึงบ้านแล้วท่า น, นจึงมีปัญญามากนะเราจึงสร้างความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันติดเห้เรามันหลงรู้ขึ้นมาอะไรก็ตามสติพูดแล้วพูดอีกเป็นตัวเฉลยปัญหาทั้งหมดทั้งสิน้น ได้ทั้งหมดเหมือนสังขารเป็นวิสังขารสังขาร ไ, ไม่เที่ยงวิสังขารมันไม่อยู่ในความไม่เที่ยงวิสังขารคือนิพพานส <c oughs> ังขารเป็นทุกข์วิสังขารไม่เป็นทุกข์มีอยู่ด้วยกันนะมันหลงมีความรู้ตัวไม่หลงเห็นวันหลงเห็นไม่เป็นเป็นมึกที่สุดเลย โอ้เจ้าเทศนาเรื่องแรกเล็กที่ว่า Build annual, ทางต่างตัมักคือเป็นทางถืออะไรอ่ะมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้ส e ุขนี่แหละมักมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันร้อนมันหนาวเห็นมันร้อนมันหนาวไม่เป็นผู้ร้อนผู้หนาวมันเจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บ เอาดิแยกไปแยกไปแยกไปจะเก่งไปทนะั้งเก่งจริงนเะก่หน่ามันก็เหนือกิเจ็เจ็บตายได้แนะถ้าแยกจากนี่ไปลนะหยเยใจไม่ได้เป็นไงเอาจริงจริงนะหายใจเข้าไม่เข้าสามรอบสี่รอบไม่เข้าจไว้ลนะ แค่นะัน่งชวิตของเราหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าหมดแล้วชีวิตเราอยู่แค่ลมหายใจแล้ว <c oughs> หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่เอาชีวิตไปกับว่กับลมหายใจชีวิตต้องเป็นชีวิตจะไม่เสียชีวิตเพราะหายใจไม่ได้เราจุอยู่กันหเนี่ย ถึงจะถึงเวลานะนะแน่นอน <laughs> ต้องถึงเวลาแนะน่นอนไม่มีใครยกเว้นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมอะไรเป็นของเที่ยงความตายเป็นของเที่ยงใช่ไหมควรจะสังเวชไม่ประมาทแต่ทํามา ถ้าไม่เหนือเกิดเจ็เจ็บตายจะมีค่าอะไรชีวิตเราเกิดมาเพื่อแจ่เพื่อเจ็บเพื่อตายเลยเวลาเจ็เป็นทุกข์เวลาเจ็บเป็นทุกข์วเวลาตายเป็นทุกข์เวลาเจ็ไม่ทุกข์ไม่ได้เลยเวลาเจ็บไม่ทุกข์ไม่ได้เล ย, เว ล, เ, เ, ลยเวลาตายไม่ทุกข์ไม่ได้เลยฝึกแต่บุญ น, นี้่จะรอให้เท่าหัวเฉะเหมือนหลงตราเนาะสึกตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่มอ๋อ เดี๋ยวนี้ชาวพุทธโาเมืองไทยกรรมฐานเนี่ยยังไม่ยังน้อยมีแต่พิธีรีทองเก่งมากาศาสนาพิธีาศสาสนาวัตถุศาสนาบุคคลาศาสนาธรรมไม่ค่อยจเจริญรัตป่าสุกุโตจงจะอภิชอบบังในให้เป็นาศาสนาธรรมอย่ามาดูอะไร ทุกคนมาที่มาดูัวเองโทที่อยู่ได้ก็อยู่ไปเอาจงมาเนี่ยไม่ ป, ประมาณความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์มีได้ในชีวิตเราเนีการเกิดขึ้นของพูะเจ้าพือเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นเจ้าพราชายเห็นปัญหาเรื่องนี้ เกิดเจ็บเจ็บตายนะ่หาคำตอบเรื่องนี้ได้สแสวงหาหกปีได้คำตอบเรื่องนี้ชาติชิ้นแล้วผมม่จัน์อยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบความหลงจบลงความทุกข์จบลงจะว่ายางไงมันต้องจบเป็นไม่ค้างสุดท้าย เมื่อมีความหลงก็ต้องมีความไม่หลงเมื่อมีความทุกข์ต้องมีความไม่ทุกข์จะหลงจนตายจะโกรธจนตายจะทุกข์จนตายชีวิตเรามีประโยชน์หรออยากเป็นมิตรเป็นเพื่อนจะไม่พาหลงทิศหลงทางก็บอกกันอยู่เนี่ยให้รู้สึกตัวนะเวลามอหลงกลับมาอาจจะเข้ารู้ตัว หายจออกรู้จักตัวเวลามันหลงคิดไปกลับมาหัดตรงนี้กันหัดขีดหัดเขียนแบบโนบานไปก่อนหัดไปหัดไปนั่งอยู่เฉยเฉยก็ได้เพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เวลาเราจะตายนอนอยู่ในห้องไอซียูก็ยกมือสร้างจังหวะได้ไหมยกมือไม่ขึ้นหายใจเข้าทท่านี่สี่หายใจไม่เข้าอดแรง น้ำลายผงปากไปจับมือมาเช่นมา ย, ยกมือไปขึ้นเลยฉ <c oughs> ุดยอดเลยนะยกมือไปขึ้นแล้วตาก็หลับไม่ลงดูรูปหรอน่าสงสารมันหายใจไม่ได้ก็ต้องไม่หายใจมันล่ะแล้วจูงยังไงแล้วจูงไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไร พรจึงบอกสรุปไว้ไม่ ม, ไ ม, ไไไ ม, ม, มไีไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งสิ้นอันสุขไม่เป็นสุขมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์อะไรก็ตามไม่เป็นอะไรกับอะารได้ยินไหมเมื่อเราจะหัดมันทุกข์เป็นผู้ทุกข์ หรือเห็นมันทุกข์ทุกเป็นทุกอย่างเป็นอยู่จึงจะทุกข์ผู้ขมทุกข์ถ้ามันทุกข์ยังเป็นผู้ทุกข์ก็ยังจะทุกข์ผู้ขมทุกข์ถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์จะจบลงไม่นานไม่นานมันหลอกกันนะเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติคือกลับมาโต้ตอบทักท้วงทักท้วง เรียกว่าปฏิบัติเปลี่ยนนันเปลี่ยนได้คืดเรานะพระสิธัตถะจะไม่เป็นเจ้าพ่อชายมองแบบนี้เลยเมื่อมีแก่เมื่อมีเกิดต้องไม่ไม่เกิดเมื่อมีแก่ต้องไม่ไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีตายหมองสองแง่เลยหาคํำตอบเริ่มต้นเจ้านะ ไอ้ใจเขา้าผู้แข็งเขา้ขเขาคุยมีสติมันคิดไปกลับมาต้องคิดต้องหลงตัวะภาวะที่หลงนะ่ะมันดีถ้ามันหลงได้รู้เนี่ยโอ้ยดีมากถ้ามันสุขมันทุกได้รู้เนี่ยแม่มันดีจริงๆเนคิดไปได้เห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจกลับมาน่สมนำหน้ามัน สมนา้าความทุกข์สมนา้าความคิดเหมือนโยงบินมาจับรลรไล่มาเอกสมนห้หน้าโยงไม่ได้กัดเรานอนในมุ้งโยงบินอยู่ข้างนอกปมบําสมน้ําหน้โยงไม่เหมียวการกัดเราได้นอนในมุ้งฝังเสียงโยงอันความคิดความทุกข์มันไม่ภาษาอะไรเรวร้อยที่สุดหลวงตาเลยบอกว่า กิเลสเหมือนหมาตัวหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช้างเี้นะเห็นช้างไหมช่างยิ้มนะก็ดูช่างยิ้มไปร่วมหงาสองตัวดูชีสมนําหน้ามันหมดท่าเลยหมาไปดูอันเจ้าของช้างมาไหอาจารย์สยหยุดเจ้าของช้าง เป็นของการของการสายหยุดผออวิไลพยาบาลพระบาทหมาสงสารหมาสมหมดท่าเลยว่ะหมดท่าจริงๆหมาสองตัวนะไม่มีทางที่จะจะให้ช่างตื่นตกแก่ได้ช่างเดินยิ้มขีเล็เหมือนหมาสติเหมือนช่างยิ่งใหญ่ไหม หมากับช้างวันไหวอะไรหมาเห่าช้งาง เ, เป็นอย่างนั้นแล้วมันสุขก็จะสุขไปเลยหน้าบูดหน้าเบี้ยวมันโกรธก็โกรธไปเลยแค่นั้นหรือคนเราอะไรก็คอยจะโกรธหรือไปตื่นนําึงไงความโกรธเหมือนหมาตัวหนึ่งสติเหมือนช้างวันไหวแล้วหัดเอาไว้ นะเนี่ยใจเยินไหมอยู่ที่ไหนเหรอขอจากใครเวลามาโกรธมีสติไม่โกรธได้ไหมเคยใช้สติไหมใช้สติไหมเวลามาโกรธไม่โกรธมีบ้างไหมจนชนะความโกรธด้วยความมาโกรธต้องมีนะ้อญายอมง่าย ปาราชัยพ่ายแพ้ความโกรธพ่ายแพ้ความทุกข์เป็นคนต้องบัรป่าระคิก้ายแรงไม่มีโอกาสได้ถึงมรรคผลนิพพานกับเขาเลยปาราชัยบาปโกรธเป็นบาปไม่โกรธเป็นบุญใจไล่เป็นบาปใจดีเป็นบุญใจดีมีสวรรค์ใจเย็นมีนิพพานใจไล่มีอะไร เจร่ายเป็นอะเป็นนรกนั่นน่ะสมนั้นน่ะมันใจล่าเป็นนรกใจล่ายกายนินแฉบไหมนอนหลับไหมเวลาโกรธนี่กินข้าวได้หรอนอนหลับไหมสุขหรือทุกเวลาโกรธทุกนรกคือทุกเราไม่ปิดนรกได้เดี๋ยวนี้ไม่มีทาง อ้อนว้อนไปถึงมะขุนนิพพานนะนกุฏตการะเบนหน้าน้นเทินเสร็จเลยไม่มีทางต้องทําเดี๋ยวนี่ยไม่ใช่อ้อนว อ, อนปราถนาเป็นการกระทํสาสหนาพูทเป็นศาสนาการกระทาไม่ใช่อ้อนวอนเดี๋ยวเนี่ยเปลี่ยนมาเดียเ๋ยวนะี้ใจเย็นๆ น, น่ะไม่หวั่นไหวหนิพพาน ไม่หลงไม่โกรธัน่โกเย็นแ ล, วแลววน้วมอดแล้วเหมือนไฟป่าสุกโตมอดแล้วไม่ได้ดับไฟอีกแล้วมอดแล้วแต่วนี้ไฟวัดป่าไม่วัดป่ามอดลงแล้วอันนี้ไฟภายนอกไฟภายในมันก็มอดได้เย็นแล้วไม่พูไม่แพร่เย็นแล้ว เอวังก็มีด้วยประการชนใด